พัสโโอเอโกอันโตพัสสะสมุทโยทุตุโยอันโตพัสสนิโรโทมะเชตัณหาสิภะนีตัณหาหินิสิภะติตัสสะตัเสวะภวะสอภพินิพันติยาพัสะเป็นส่วนหุดข้างหนึ่งพัสสมุทัย เป็นส่วนสุดข้างสองภาษานิ โ, โรธะมีใน่้มกลางปัญหาเป็นเครื่องรอยรัดให้ติดกันปัญหานั่นแหละยมถักรอยเพื่อให้เกิดขึ้นแห่งพบนั้นนั่นเทียว่วยความรู้เพียงเท่านี้และภิกษุชื่อว่ายมรู้ยิ่งซึ่งธรรมะที่คุรรู้ยิ่ง ย่อมรอบรู้ซึ่งธรรมะที่ควรรอบรู้เมื่อรู้ยิ่งซึ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งรอบรู้ซึ่งธรรมะที่ควรรอบรู้อยู่ย่อมเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุกได้ในทิฏฐธรรมนั่นเทียวยินดีตนับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ด้วยรายการธรรมะรับรุณในทุกวันาานั้นเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาทำจิตให้มีความสงบให้มีความวิเวกในช่วงที่เราเรียกว่าจิตตาวิเวกเป็นการปฏิบัติที่ทำให้จิตนั้นมีความวิเวกมีความสงบแยกกันออกจากเรื่องของทางกาย ท้งสภาพแวดล้อมต่างๆอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปนั่นนี่แต่จิตของเรารักษาให้มีความสงบธรามฟังเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงประมาปฏิบัติร่วมกันไปพร้อมๆกันเดนวนี้เราจะเจริญพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะว่ะาในสมัยพุทธกาลธรามฟัง ตั้งแต่มีพระพุทธเจ้าบัตรขึ้นภิกษุตรอหลายก็มีปัญหาคำถามเรื่องราวต่างๆอะไรยางไงก็มักจะไปหาพระพุทธเจ้าสอบถามในปัญหาเรื่องนั้นอยู่เสมอๆนี่เป็นข้อปฏิบัติของคนที่เขาจะมีปัญญาท่าผู้ฟังในการที่จะเข้าไปหาสอบถามท่านผู้รู้ไม่รู้อะไรจะเป็นไปยังไง เราก็เข้าไปถามท่านมีพุโทโธเป็นที่ไปเป็นที่พึ่งเป็นที่ที่จะให้จิตใจนั้นไปสู่ให้จิตนั้นมีความสงบมีความวิเวกในจิตใจได้พุโทโธทุกฝั่งเระมานึกถึงคําก้อนี้ให้เราระลึกนึกถึงพุโทโธไว้อยู่ในใจของเรานึกยังไงนึกพุโทโธ พระพุทธเจ้าหน้าตาเป็นยังไงเสียงของท่านเป็นยังไงไม่มีใครเห็นนะไม่มีกลองไดอาดรู้ไม่มีใครได้ยินนะไม่มีเครื่องบันทึกเสียงสมัยนั้นเราเอาคุณของพระพุทธเจ้านี่แหละจระาสากระยาชื่อมหานามะไปถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าเออถ้าต้องการจะระลึกถึงพระองค์เนี่ยทำยังไงสมัยก่อนรูปถ่ายบ้าง เรื่องบันทึกเสียงบ้างก็ไม่มีอย่างดีก็ได้ฟังข่าวว่าเออพระพุทธเจ้าเดินทางไปถึงไหนถึงไหนแล้วท่านทําอะไรกับใครยังไงคําสอนเป็นยังไงก็มีข่าวรายงานมาแค่นี้ต่นถึงบอกกับเจ้าสากยะชื่อมหานามว่าเอาเงินก็นึกถึงตถาคตด้วยคุณของตถาคตนี่แหละคุณของพระพุทธเจ้าตามนิยะบทสวดที่เรา ได้เคยได้ยินไดฟังกันมาอิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทธโธเอาพุทธโธข้อนี้พุทธโธนึกเอาไว้ในใจของเราเดีย๋ยวเราจะไปตามหาใครสักคนหนึ่งเราต้องรู้จักชื่อรู้จักที่มาที่ไปของเขาอยู่ที่ไหนได้กเขาเรียนรู้ภาษาเข้าใจความหมายได้ มันก็ต้องฝึกจากการอ่านออกเสียงน่แหละก่อนเราจะให้มีคุณความพระพุทธเจ้าในข้อพุทโธตั้งไวในจิตใจของเราได้ก็นึกถึงคำมาพุทโธนี่นแหละเริ่มต้นเอาไวในใจและในขณะที่เรานึกพุทโธพุทโธอยู่ในตมฟังให้เรารู้จักสังเกตเอาพุทโธเนี่ยเป็นศูนย์เอาพุทโธเนี่ยเป็นหลักตั้งไวใช่ปะ ล้วสังเกตดูสิ่งต่างๆโดยรอบสังเกตดูซิมีความคิดไหมสังเกตดูซิได้ยินเสียงไหมสังเกตดูซิมีอะไรต่างๆผ่านมาเป็นกลิ่นไหมจาลืมตาอยู่ก็เห็นภาพหรือเปล่าหรือมีความคิดนึกอื่นๆในอดีตนาคตผ่านมาบ้างหรือไม่เอาพุดโทนเนี่ยเป็นเหมือนบุคคลที่สามแยกออกมาต่างไว้ เป็นจุดสังเกตสังเกตดูสิ่งต่างๆดูรอบแต่ให้จิตของเราอยู่กับพุโทโนะสังเกตดูสิ่งต่างๆดูการสังเกตดูการที่เรารู้จักแยกแยะสิ่งต่างๆออกนั่นคือสติธรรมฟังพุทโทนี่ไม่ใช่สตินะพุโทโหนี่เป็นก็เรื่องมือให้เกิดสติเฉยเหมือนคนที่เคยฝึกทาอาณาปานาสติมาก่อนเนี่ย รวมไอ้ใชน่ไม่ใช่สตินะแต่เป็นค้อเรื่องมือให้เกิดสติเฉยหรือคุณจะระลึกถึงความดีการให้ทานการบริจาคนั่นนี่เป็นศีลานุสติจากการนุสติแต่ไม่ไดเอาตรงความคิดนั่นไงเอาความคิดนั่น่ะตั้งเป็นจุดสังเกตเป็นหลักขึ้นเฉยแต่จริงแล้วจะเอาตรงการสังเกตตรงการแยกแยะ เอาตรงสตินั้นต่างหากเราจะาังได้ฟังในช่วงของใต้ร่มพทธิบทที่ข้าพเจ้าได้แสดงเกี่ยวกับเรื่องของความหมายในสติเอาไว้จะมีอยู่ข้อหนึ่งที่พูดถึงว่าเหมือนเวลาที่เราดูหนังดูภาพยนตร์ที่เราไปฉายตามโรงภาพยนตร์แล้วเราดูจากบุคคลที่สามเห็นตัวเราดูหนังดูภาพยนตร์อยู่ เห็นคนฉายหนังกำลังใช้เรื่องอะไรไปที่จอภาพนั้นอยู่การที่เราดึงแยกตัวเองออกมาได้ันนี้คือสติที่เราไว้สังเกตดูสิ่งต่างๆดูว่าคนที่เขาดูหนังอยู่เนี่ยเขามีอารมณ์ร่วมกันไปกับเรื่องราวในภาพยนตร์นั้นอย่างไรๆไรการนรู้การเห็นในข้อนี้คือคุณมาตั้งเสถียรไว้ เหมือนกันว่าเราใช้พุโทโธเนี่ยดึงตัวเราออมาแยกจิตใจเราออกมาออกมาจากตัวเราอีกตัวหนึ่งที่มันจะไปตามผัสสะเสียงความคิดนึกนั่นนี่แยกออกมาใจพุโทโธเนี่ยตั้งเอาไว้นึกพุโทโธพุธโทโธไว้ในใจทีนี้ว่าจิตของเราเนี่ยมันจะเป็นเซนเตอร์มันจะเป็นตัวหลักมันจะคอยเป็นจุด ที่จะสังเกตอยู่เรื่อยวันนี้เป็นธรรมชาติของจิตไงที่ว่ามันจะแบบคอยเป็นหลักเป็นประธานอยู่แล้วนี่เป็นธรรมชาติของเขาทาให้เวลาที่เราจะเห็นเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นเหมือนกับตัวเราเป็นหลักหรอกตัวเราที่อยู่ข้างนอกนั่นแหละต่างหากที่เป็นหลักเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานึกวัตโตวัตโตใช่ไม่มเราก็คอยสังเกตดูว่าไอ้สิ่งอะไรมาสิ่งอะไรไปเสียงมาไหม ความคิดนึกต่างๆเป็นยังไงแต่ไม่ตามสิ่งนั้นไปไงไอ้ระลึกนึกถึงอยู่กับพุโทโธไว้เสมอๆไม่ต้องตามลมด้วยคือบางคนจะเอานึกพุโทโธด้วยกับจังหวะของลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือไม่จําเป็นมันเป็นคนละอย่างกันไม่จําเป็นต้องเอามารวมกันจะ แ, แยกกันก็ได้จะรวมกันก็ไม่มีปัญหา แต่นันไม่ใช่ประเด็นประเด็นหลักที่สําคัญคือใช้อะไรก็ใช้สักอย่างหนึง่งนึกพุโทโธแล้วก็ทําไปให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปบังคับความคิดนึกอื่นๆว่าโอต้องตรงนึกพุโทโธอย่างเดียวนะความคิดอื่นไม่ได้ก็ไม่เป็นก็เอาพุโทโธนี่แหละเป็นหลักแล้วดูซิมีความคิดอื่นๆผ่านมามั้ยมีความคิดนึกอื่นๆที่เป็นใบเป็นเสียงบ้างเป็นภาพบ้าง ผ่านมาผ่านไปหรือไม่มีผ่านไปแน่นอนบางเพราะว่าเราเนี่ยมันมีหูไงมีหูถ้ฟังก็ะไดยินเสียงครับประชาชนได้ยินเสียงไก่บ้างเสียงจิ้งจกบ้างเสียงคนข้างบ้านบ้างเสียงรถขยะบ้างเสียงสิ่งต่างๆบ้างถ้ามันมีแหล่งกําเนิดเสียงมันก็มีเสียงนั่นแหละอันนี้เป็นธรรมดาก็จะมีเสียงมีหูมันก็เกิดเป็นภาษาไง มีภาษาแล้วมันก็เป็นความรับรู้เป็นสัญญาคิดนึกไปต่างๆนั่นนี่มีขึ้นมาในช่องทางใจแน่นอนมีแล้วตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเรามีพุโทโธเป็นหลักมีพุโทโธเป็นที่ไปมีพุโทโธเป็นที่พึ่งให้จิตใจคนเรานั้นมันไม่ไหลไปตามความคิดนึกภาษาต่างๆนั่นนี่ แล้วข้อนี้เป็นหลักเป็นจุดที่เราจะตั้งจะเกาะจะจับเอาไว้ตั้งเกาะจับแต่ไม่ยึดนะเรายึดนั่นเป็นอุปท า, านเราไม่ยึดแต่ว่าเรามีที่พึ่งแต่ว่าเรามีหลักมีที่ตั้งมีฐานที่จะคอยสังเกตสิ่งต่างๆดูซิว่ามันเป็นมาเป็นไปอย่างไรเอาแค่นี้แหละทุกผูฟัง นี่คือสติแล้วนะคือมีสติตั้งเอาไว้นี่คือมีสติแล้วนะมีสติในการแยกแยกแจงแจงองอมีสติแล้วนะในการที่จะมีที่กกอดที่จับไม่ให้จิตใจคนนั้นไหลไปตามสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นในคำฝันถ้าเราเอาพุโทโธเป็นหลักเป็นที่จับเป็นที่เกาะเป็นจุดสังเกตได้นี่ คุาความคิดนึกอะไรก็ได้มาจะเป็นตัวที่จะสังเกตได้ต่างเช่นที่ท่านให้คําแนะนำเอาไว้เช่นเอาเรื่องธรรมะก็ได้อะแต่รรมานุสติคุณจะเอาเรื่องที่เคยคุณทําความดีเอาไว้อย่างใดอย่างหนึง่งเป็นศีลานุสติหรือคุณเจะเอาเรื่องที่เคยให้ทานบริจาคเอาไว้เนี่ยก็เป็นจารานุสติหรือถ้าจะเอาเรื่องกายก็ได้เอาเป็นกายยะขาตาสติ ก็กลายเป็นฐานที่ตั้งในการที่จะสังเกตสิ่งต่างๆแยกแย่อะไรมันเกิดขึ้นอะไรมันดับไปหรือถ้าเรา่ยิ่งไปกว่านั้นนะลุหวังคุณจะเอาต้นไม้ก็ได้เาคุณจะเอานกยางกินปลาก็ได้เาคุณจะเอาใบไม้ก็ได้เาคุณจะ อ, อะไรก็ได้มาเป็นตัวตั้งที่เราจะสังเกตสิ่งต่างๆเพราะว่าจิตไปตั้งอยู่ตรงไหนแล้วคอยสังเกตดูสิ่งต่างๆอย่างไร ไม่เผลอเพลินไปตามสิ่งต่างๆนั้นๆความไม่เผลอไม่เปลินความสังเกตสังกาไม่ประมาดนั่นแหละคือสติสติตั้งอยู่กับอะไรก็ได้ด้วยหวังจเจ้าเครื่องมืออะไรก็ได้ไม่มีปัญหาที่ฉันบอกเอาไว้ก็เป็นอนุสติสิบอย่างเอาในที่นี้เอาพุทโธเนี่ยแหละฝึกไว้เป็นหลักซะก่อนองพุทโธตั้งขึ้นเอาไว้ มีพุโทโธแล้วยังสบายใจนะบางทีเราไม่รู้ทางไปหาทางออกไม่เห็นจะไปทางไหนยังไงเอาออกทางประตูพุโทโธกัล้ลกันเอาพุโทโธเป็นหลักตั้งเอาไว้สิ่งที่จะเกิดขึ้นทำฟังก็คือว่าจิตมันจะค่อยระ ง, งับลงระ ง, งับลงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดินเปรียวไว้เหมือนกับสัตว์หกชนิดไง ถ้าเอาเชือกมาผูกไว้กับสัตว์แต่ละตัวละตัวละตัวแล้ปลายข้างหนึ่งมาผูกรวมกันไว้เป็นปมแล้วปล่อยไปนี่โอ้ยมันวิ่งไปทั่วเลยโรเล่ก็จะลงน้ํานกก็จะบินขึ้นฟ้าสุนักจิ้งจอกก็จะไปป่าช้าเป็นต้นมันจะไปตามที่ที่มันอยากจะไปตัวไหนมีกําลังมากกว่ามันก็จะดึงตัวอื่นไปด้วย ลักษณะเช่นนี้คือจิตมันจะฟุง้งซ่านเดี๋ยวความคิดนี้มาเกิไปตามความคิดนี้เดี๋ยวเสียงนี้มากับไปตามเสียงนั้นเดี๋ยวคนนั้นว่ายนี่ก็ดไปตามคนนี้หลักการหลักฐานที่ตั้งอะไรต่างๆนี่ไม่มีไปทั่วคนก็ฟุง้งซ่านวุ่นวายใจไม่สงบคิดอ่านนึกอะไรมันก็ไม่ออกเพราะนะ้ำมันขุ่นหมดแล้วมันไม่เห็นทางไปมันไม่ใสกูจะให้ใสปิงขึ้นมาได้ เห็นช่องทางไหนที่ออกไล่ไปยังไงมีที่ไปได้เอาปลายเชือกด้านหนึ่งนะนำมาผูกไว้กับเสาสิมาผูกไว้กับเสาเสาในที่นี้คือสติสติอยู่ตรงไหนพุโทโธอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงนั้นตรงนั้นหละคือสติแต่เราเอาจิตของเรามาไว้อยู่กับพุทธทเห็นไหม สติอยู่ตรงนั้นทันทีเพราะว่าเวลาที่เราระลึกนึกถึงพุทโธได้ความระลึกได้นั้นน่นนะคือสติมันนึกอยู่กับพุทโธพุทโธไวในใจความระลึกได้นั้นคือสติสติอยู่ตรงไหนเอาจุดนั้นแหละเป็นจุดที่จะผูกเชือกเอาไว้ผูกสัตว์เอาไว้เชือกนี่นําเป็นตัวที่จะร้อยรัะ ดึงสิ่งต่างๆไว้ด้วยกันทําไมมันดูเหมือนดูคล้ายกันไปหมดสิ่งต่างๆเนี่ความจริงที่เราเรียกว่าเป็นข้อเท็จจริงเป็นแฟกต์มันก็ดูเหมือนความเห็นที่เราเรียกว่าเป็นโอพิเนเป็นคอมเมนต์ความเห็นดูเหมือนข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงดูเหมือนความเห็นบางทีเขาก็สอดแทรกความเห็นมาในข้อเท็จจริงบ้างเวลาเราฟังข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโซเชียลเนี่ยต้องรู้จักแยกแยะออกให้ดีแต่ไม่งั้นปนป น, นกันมาเนี่ได้รับขอ้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนไปเราก็ตกเป็นเครื่องมือของบุคคลต่างๆนั้นได้แต่เราผูกเชือกไม่ดีเชือกมันหลุดไปสัตว์มันวิ่งหนีไปเราก็สูญเสียตาสูญเสียหูไปสูญเสียความรู้สึกดีๆในใจไปแทำยังไงผูกขึ้นใหม่ตำไม่ฟัง เสียหายแล้วแก่ได้ทุกอย่างแก่ได้แก่ได้แก่ได้ไดตั้งจิตของเราไปให้ดีนึกพุโทโธไ้อย่าให้จิตของเราไปทางไหนตัวมันจะไปทางไหนแก่ได้ให้เขากลับมาเราไม่อยู่กับพุโทโธนี้เรานึกพุโทโธเมื่อไหร่ก็เหมือนว่าเราผูกเชือกใหม่ดึงสว์ตัวนั้นกลับมาให้อยู่ที่เดิม ต่เราก็อยู่ที่นี่ล่ะหูเราก็อยู่ที่นี่ล่ะมันในยตนาภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนถูกผูกกันมาแล้วด้วยเงื่อนของกรรมกรรมตั้งขึ้นผูกจิตไว้ให้อยู่กับสิ่งเหล่านี้เราก็ผูกจิตของเราไว้ให้อยู่กับสติเพราะว่าถ้าเราไม่ผูกจิตของเราไว้ให้อยู่กับสติ ไอ้คมที่ทำให้เราสุขบ้างทุกบ้างนั่นแหละมันก็จะทำให้มีการสืบเนื่องต่อไปให้เกิดเป็นการกระทําต่อเนื่องไปด้วยอำนาจของกิเลสมันก็เป็นคำไม่สิ้นไม่สุดต่อไปแล้วก็ต่อไปไม่เห็นความดับในท่ามกลางเห็นแต่ส่วนสุดข้างหนึ่งคือเหตุเห็นแต่ส่วนสุดข้างหนึ่งคือผลแต่ตัวที่จะให้เหนือเหตุเหนือผล ดับเนี่ยมันจะไม่เห็นเห็นแต่เหตุเห็นแต่ผลแต่ความดับของเหตุและผลจะไม่เห็นเอาเราตั้งสติเอาไว้ไงให้เราเห็นเห็นตามความเป็นจริงตัมัวังตั้งนึกเอาไว้ยอยู่กับพุทโธ ท, ที่ี้เราจะรวมลงรวมลงระงรับลงระงรับลงเริ่มมีความวิเวกในจิต เรือเป็นจิตตวิเวกมีความวิเวกในจิตพระอะรหินะเพราะว่าจิตมันไม่ได้ไปแส้สายตามเสียงที่ผ่านมาทางหูแสสายคิดนึกปรุงแต่งไปตามภาพที่เห็นทางตาหรือความคิดนึกเป็นธรรมารมที่ผ่านมาทางใจไม่แสสายคือรับรู้อยู่แต่ไม่แสสายไปตามรับรู้อยู่สังเกตเฉยๆไง แต่ไม่ฟุ้งซ่านปรุงแต่งไปตามสิ่งต่างๆที่มากระทบเพราะอะไรนะเรามีสติตั้งเอาไว้ออกพุดโธเป็นหลักแล้วสังเกตดูเฉยๆไม่ได้ตามปรุงแต่งเนื่องต่อไปกับความคิดที่เป็นธรรมรมณนั้นเสียงที่ไปมาต่างหูนั้นเพราะจิตของเรามันไม่ไปทางไหนท่านฟังสิ่งนั้นมันก็จะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลง สตของเราตั้งอยู่ตรงไหนทตมาฟังสิ่งนั้นก็จะมีกำลังมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นเราตั้งจิตตั้งสติของเราไว้สตินั้นจะทำให้เกิดเป็นสมาธิได้สติขเราก็จะมีกำลังมากขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วความที่จิตระงับลงรวมลงนั่นแหละมันคือสมาธิโดยอัตโนมัติเลย เพราะว่าสมาธิคืออะไรองคก็คือความที่จิตเป็นนรมั์เดียวไงคุณได้เมื่อสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมั์เดียวความที่จิตระงับลงมาระงับลงมาระงับลงมานั่นแหละมันจึงเป็นความที่เป็นสมาธิแล้วเลยจี่เป็นสมาธิมีความวิเวกมีความสงบระงับอยู่ในภายในมันมันดีที่สุดแลว้วในระหว่างของโลกนี้ เพราะว่าคนที่เป็นไปตามกระแสโลกเนี่เดี๋ยวผสสาสะมากก็คิดนึงไปตามนั้นเดี๋ยวผลจะเกิดเป็นยังไงก็คิ ด, คดนึงไปตามโน้นมันจะแสาสายไปอยู่เรื่อยนี่ก็เรือไปตามกระแสโลกสุขบ้างทุกบ้างนะอันนี้มันธรรมดาพอเราตั้งจิตให้มันดีๆแล้วเนี่ยไม่ไปตามกระแสของโลกแต่อยู่ในกระแสของสติอยู่ในกระแสของธรรม จะทำให้จิตควรนั้นมีความสงบลงมีความระงับลงมีความเบาบางลงความสงบความระงับนั้นคือปัจสถินปัสธิคือความสงบระงับพอมีปัสถิคือความสงบ ร, งบระ ง, บรงับแล้วมันก็มีความสุขอยู่ในใจมันจึงเป็นแบบว่าความสุขใจที่หาได้ในภายในคือจุดนี้ไม่ได้ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอก ไม่ได้จะต้องไปให้เขามาพูดอย่างนั้นอย่างนี้เราถึงจะมีความสุขไม่ได้ต้องให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นถึงจะมีความพอใจไม่จำเป็นแต่มันมีความสุขอยู่ในภายในเหมือนแบบสุขโดยไม่มีเหตุผลนะ น, นะแต่มันอยู่ในภายในของเราเนี่แหละถ้าได้สร้างเหตุคือสติปิติสุขสมาธิพวกนี้มันเกิดในภายในได้แน่มันอยู่ในภายในของเรา ไม่ใช่ไม่มีเหตุไม่ใช่ไม่มีผลแต่เหตุผลของเขาคือสตินั่นเองเอาที่นี้พาเราตั้งสติเอาไว้ทำสมาธิเหตุขึ้นแล้วต่อไปเรามาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงทั้มดฟังในอะไรเรามาใรกใาร้กุในธรรมะเจริญพุทธชาด้วยสติแล้วเอาเรามาจเจริญธรรมานุสติ ด, ด้วยใ ก, กล้กุนไปด้วย ธรมูฟังลองไครครวญในคำถามปัญหาข้อนี้ดูเป็นปัญหาของเมตยามานกถามพระพุทธเจ้าไว้ตามไม่บอกว่าผู้ใดทราบส่วนสุดทั้งสองด้วยปัญญาแล้วไม่ติดอยู่ในถามกลางเร้ากล่าวผู้นั้นว่าเป็นมหาบุรุษผู้นั้นก้าวล่วงเรื่องร้ายรักในโลกนี้ได้แล้ว ในคำถามสั้นๆที่มายาวของเมตยามนุกรา้วถึงส่วนสุดสองข้างอะไรคือส่วนสุดสองข้างอะไรคือท่ามกลางแล้วอะไรชื่อว่าเป็นรุ่องรายรักเราบ้าพิจารณาทำความเข้าใจในข้อนี้ดูใครกรวนกันไปด้วยสมาธิที่ตั้งมันอาไว้สมาธิี้ตองฟังเ ห, เหมือนหินลับมีด เรามีดใส่ลงไปให้มันถูกมุมเนี่ยนะมีดมันจะคมขึ้นเราเอาจิตของเราใส่ลงไปในสมาธิให้มันถูกด้านนี่นะจิตของเรามันจะคมความคมนั้นคือปัญญาเราจะมารับจิตของเราให้มีปัญญาคมก็ริบเลยก็ได้คนนี้มันถูกคิดนึกให้มันดีโดยจิตที่เป็นสมาธิไรตรองให้มันถูกต้องดู ในพุทธภาสิทธิทข้าพเจ้ายกมาตั้งแต่ตอนต้นที่ท่านกล่าวไว้ถึงพัสสะกับพัสสะสมุทัยสมุทัยหมายถึงเหตุเกิดถ้าจะมีภัสสะเกิดขึ้นได้มันก็ต้องมีเหตุเกิดของพัสสะเกิดขึ้นมาก่อนมีเหตุเกิดแล้วจึงมีผลเกิดขึ้นได้ ถ้าเหตุเกิดนั้นดับไปผลก็ต้องดับไปความเป็นเหตุเป็นผลในข้อเนี้ยทุมฝั่งคือความเป็นอนัตตาอนัตตาหมายถึงความที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามมันไม่ใช่ตัวตนของมันจริงๆแต่มีเงื่อนไขมีปัจจัยอาศัยการปรุงแต่งแล้วจึงเกิดขึ้นได้ เราเห็นข้อนี้นะทุกฝังเห็นด้วยปัญญายังไงจึงเรื่องเห็นด้วยปัญญาเห็นจากมุมของบุคคลที่สามนี่แหละไม่ได้มีความรักความพอใจหรือมีความเคยเหยียดแยงเกลียดชังไม่พอใจไม่ได้มีราคะโทสะหรือโมหะแต่ให้มองเห็นตามความเป็นจริงว่าถ้ามีเหตุและมีผล ไห้ความเป็นเหตุความเป็นผลนั่นแหละคืออนัตตาสิ่งที่จะเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งคือเหตุสิ่งที่จะเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งคือผลมีเหตุมีผลแล้วนั่นคืออนัตตามีเหตุมีผลแล้วนั่นคือเงื่อนไข ค, คือปัจจัยถ้าเหตุดับไปผลก็ดับไปถ้าเหตุไม่มีผลก็จะมีอยู่ไม่ได้แค่เข้าใจเหตุเข้าใจผล โดยไม่มีความยึดถือว่าผลต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเหตุจะเป็นยังไงก็ตามคือมันไม่ได้ไงหรือเหตุมันก็มีเหตุอื่นมาให้เกิดผลแบบนี้แล้วเป็นเหตุของสิ่งต่อไปแต่เราพยายามจะบังคับให้เหตุมันเป็นอย่างนี้แต่เหตุมันก็เป็นตัวของมันเองอีกเหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับผลก่อนหน้านี้แล้วจะให้มันเป็นไปผลมันก็ต้องเกิด มันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามผลตามเงื่อนไขปจัจจัยการปรุงแต่งที่ไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวแต่มีหลายเหตุให้เกิดผลอย่างหนึ่งผลนี้ประกอบกันเข้าลายอย่างก็เป็นเหตุให้เกิดผลไปอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเงื่อนไขปัจจัยเตินฝังเรามาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงในคําตอบของคําถามนี้เติมฟังพระบุตรชาวต้นบอกไว้บอกว่าส่วนสุดทั้งสองข้าง ในคำถามเนี่ยส่วนจุดชองข้างเหตุและผลเหตุและผลเหตุและผลถ้ามีเหตุมีผลมีผลก็ต้องอาศัยเหตุมันเป็นการปรุงแต่งมันเป็นเงื่อนไขปัจจัยมันต้องมีแน่นอนอยู่ในโลกนี้มันต้องเป็นแบบนี้อันนี้เราต้องเข้าใจด้วยปัญญานะเหตุตัวหนึ่งผลตัวหนึ่งเข้าใจด้วยปัญญาให้ชัดเจน นั่นแหละมันคือส่วนสุดสองข้างในที่นี้แต่หมายถึงอันโตอันตักซึ่งหมายถึงส่วนสุ ด, สดแต่จะไม่เหมือนกับส่วนสุดสองข้างที่ว่าเป็นสุดโตงสุดโตรงข้างหนึ่งที่ว่าเป็นการทำทุกข ก, กิริยาการทำตนให้ลำบากประปรายปรปปี้ส่วนสุดอีกข้างหนึ่งที่ว่าเป็นการทำให้ชุ่มอยู่ด้วยการมเป็นการม ส, สุขาิการุโยก ประกอบตนพวพันธ์มัวเมาอยู่ในกามนั่นคือส่วนสุดสองข้างตามเนยยะของอริยสัจสีทีนี้ในทนี่ที่ว่าส่วนสุดสองข้างคือเหตุและผลเหตุข้อที่1คือผัษาสมุ ท, ทยัยเหตุข้อที่สองคือตัวผัษสเองมีเหตุมีผลเราจะให้เข้าถึงความเหนือเหตุเหนือผลเราต้องเข้าใจเหตุและผลก่อนไงทุกฝัง ว่าถ้าจะเกิดสิ่งในสิ่งหนึ่งขึ้นมันต้องมีเหตุถ้ามีเหตุแล้วผลจะไม่เกิดมันก็ไม่ใช่มันก็เป็นไปตามก็มันใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนเป็นโพธิสัตว์ตั้งความปรารถนามาเนี่ปรารถนาสัมมาสัมพุทธญาณปรารถนานิพพานเนี่ยแสวงหาความข้อในหลายที่ว่าเหนือเหตุเหนือผลไม่ว่าเหตุผลมันจะเป็นยังไงว่ามันต้องเป็นมาอย่างนี้มันถึงจะเกิดผลอย่างนี้ได้ ไม่ได้แค่แแต่ถ้ามันมีการปรุงแต่งหรือว่ามันไม่ดีจะเอาสิ่งที่ไม่มีการปรุงแต่งเหนือการปรุงแต่งเนี่ยจะไปหาตรงไหนจะไปหาตรงไหนถ้าไม่มีเหตุมีผลมีการปรุงแต่งอยู่จะหาความเหนือเหตุเหนือผลจะหาความที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยจะหาตรงไหนท่านจึงสบายงางขอนี้จึงพูดถึงทางสายกลางคือมัชิมาปจิปธา อธิบายกว้างๆง่ายๆส่วนสุดสองข้างคือการทรมานตนการประกอบอยู่ในกามเอาไปตรงกลางนี่แหละเป็นมัชฌิมาปฏิปฏฐาก็เป็นการปรุงแต่งเหมือนกันทั้งซ้ายและขวาก็เป็นการบรุงแต่งมาตรงกลางก็เป็นการบรุงแต่งแต่ทางซ้ายและทางขวาที่เป็นส่วนสุดตามนัยยะของเริยสัจสีนั้นเป็นการปรุงแต่งที่ทําให้เกิดทุกข์ เป็นการปรุงแต่งที่ทำให้กิเลสตัณหามากขึ้นแต่ถ้ามาตามทางสายกลางจะเป็นการปรุงแต่งที่ให้เกิดตัณหารถลงเป็นการปรุงแต่งที่ลดกิเลสลงการปรุงแต่งแบบนี้มันดีกว่าสีพอเราปรุงแต่งมาตามมรรคแบบมาตามมรรคแบบเหมือนอย่างที่เราทำอยู่อย่างนี้รักษาสีให้ดีตั้งสติไวให้มัน่น เกิดจิตเป็นสมาธิแล้วไอ้ทางที่มาตามสางสายกลางเนี่ยมันจะระ ง, งับลงระ ง, งับลงระ ง, งับลงจนมันถึงจุดที่มันเชื่อมติดกันสนิทเลยนะเหมือนได้ช่องกวง้กวางตรงกลางเนี่ยจากที่มันกว้างกว้างอยู่ใช่ไหมซ้ายสุดตรงข้างหนึ่งเป็นการตระมาณตนขวาสุดตงอีกข้างหนึ่งเป็นการชุ่มอยู่ด้วยกามทั้งสองข้อนี้ไม่เอาการปรุงแต่งนั้นไปดี เอามาตรงกลางตามทางสายกลางเป็นการปรุงแต่งที่ดีทันวะสุดยอดของสังกต ธ, ธรรมนี่คือมรแปดตัมบวังเราปรุงแต่งมาตามทางมรแปดตรงกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทามาแล้วมาแล้วเนี่ยทางมันจะระงับลงระงับลงก็มาระงับลงแคบลงเนี่ยหมายถึงกิเลสมันลดโลงหมายถึงเงื่อนไขปัจจัยการปรุงแต่งแรงต่างมันระงับลงระงับลง พอาการบรุงแต่งระ ง, งับลงทางนี้เปิดกว้างขึ้นเปิดกว้างขึ้นเปิดกว้างขึ้นปราไหเพราะกิเลสมันลดลงไงทางเนี่ยมันจึงสบายขึ้นสบายขึ้นสบายดีสบายที่ใจนะจิตใจนะั้นมีความวิเวกมีความระงับมีความวิเวกมีความระงับมีความสบายอยู่ในใจก็เหมือนกับเส้นทางที่มันเปิดโล่งกว้างสบายไม่อึดอัดไม่เบียดเสียด สิ่งที่ถูกเบียดเสียที่ถูกกําจัดออกไปคือกิเลสคือความเศร้าหมองความไม่ดีอักซลธรรมอะไรต่างๆมันจะระ ง, งับลงระ ง, งับลงดับลงดับลงตรงนี้หลายท่านฟังดีปะพอเงื่อนไขปัจจัยการปรุงแต่งอะไรที่มันไม่ดีลดลงไปลดลงไปดับลงไปดับลงไปเพราะว่าการที่เราปฏิบัติตามมัชชิมปาปฏิปทาคือมักแปตามทางสายกลางมันจะเข้าสู่จิตเข้าสู่จิต ระงับลงระงับลงจนกระทั่งมันเหลือล้วนๆเพียวๆพือเหียและผลเท่านั้นแหละสิ่งเงื่อนไขการปรุงดังอะไรที่เป็นไปตามกิเลสตัณหาเราเออกไปแล้วนะเหลือแต่จิตที่สงบเหลือแต่จิตที่มีปัญญาเหตุผลในข้อนี้แหละทุกฝังเหลือแค่นี้จากที่มันแบบนั้นนี่นอนนั้นนี่ น, นน น, นเยอะแยะ เหลือล้วนๆเพียวๆเนี่ยตรงนี้คือส่วนสุดสองข้างที่ว่ามันติดแนบกันอยู่เลยเหตุและผลมีเหตุก็ต้องมีผลเหตุดับไปพ้นก็ต้องดับไปมันแนบติดกันอยู่เลยแต่ในตัวนี้ท่ฟังด้วยปัญญาของสัมมาสัมพุท ธ, ธะเพื่อที่จะชีแช้แจงให้คนฉลาดๆอย่างเมตยามานพเนี่ยได้เห็นว่าไอ้ที่ว่ามันติดกันอยู่เป็นเหตุเป็นผล คนพูดถึงเหตุให้เกิดภาษะแล้วก็ภาษะเหตุให้เกิดภาษานี่คืออะไรก็หูกับเสียงนี่ไงถ้ามีหูมีเสียงก็จะไม่เกิดโสตวิญญาณสามอย่างรวมกันนั้นเรียกว่าภาษะเพราะฉะนั้นเหตุเกิดของภาษาก็มีสามอย่างหรือถ้ามีความคิดนึกเป็นธรรมารมและมีใจ มันก็จะเกิดมโนวิญญาณสามอย่างรวมกันคือความคิดใจและมโนวิญญาณรวมกันก็เรียกว่าภาษาไงภาษามีเพราะมีเหตุเกิดของภาษามันก็แค่นี้นะมันแบนโบนไม่มีอะไรธรรมดาง่ายๆมีเหตุมีผลก็ใช่ป่ะใช่ท่านผูฟังมันเหลือแค่นี้ไง เราไม่ได้พูดถึงว่ากิเลสเป็นปรุงแต่งนั่นนี่ความคิดนั้นนี่โ น, น้นไม่ใช่แล้วนะอันแล้วมันระ ง, งับดับไปตั้งแต่การที่เราปฏิบัติมาตามศีลสมาธิปัญญาจนถึงจุดนี้แล้วทางเนี่แคบลงแคบลงหมายถึง จ, จิตใจเราระ ง, งับลงระ ง, งับลงหมายถึงการปรุงแต่งอะไรต่างๆมันดับลงดับลงจเหลือแค่นี้แล้วเหลือแค่เหตุและผลตรงนี้แหละท่านฟังที่ดูเหมือนติดกันชิดกัน มันจะเป็นไปได้เหรอทุกฟังที่ว่าเขาหัวมาสองตัวตัวหนึ่งสีดำตัวหนึ่งสีขาวผูกไว้ด้วยสายธามเช่นเดียวกันแล้วเราจะบอกว่าโอ้ยนี่มันวัวตัวใหญ่นะเนี่ยทำไมมันมีตั้ง8ดขาแล้วก็สีเทาวัวที่ไหนมีแดขาสีเทาไม่ใช่มันวัวสองตัวตัวหนึ่งสีดำมีสีขาอีกตัวหนึ่งสีขาวมีสีขาเหมือนกัน อ้าวเอวนี่ยโอ้ดูผิดดูผิดดูผิดนะอย่าดูถูกดูถูกนะอย่าดูผิดดูให้ดีดูด้วยปัญญาให้เห็นว่ามันไม่ใช่วัวตัวเดียวกันนะแต่มันเป็นสองตัวสองตัวยังไงนะก็หูก็อันหนึ่งไงเสียงก็อย่างหนึ่งคนละอย่างกันความคิดนึกก็อันหนึ่งนะคือธรมรมารมใจคือเป็นช่องทางก็อย่างหนึ่งนะคนละอย่างกัน เอ้เจ้าวิญญาณที่เข้าไปรับรู้สิ่งที่เป็นเสียงนั้นสวนตาวิญญาณก็คนละอย่างกันกับหูคนละอย่างกันกับเสียงจอบมโนวิญญาณที่เข้าไปรับรู้การปรุงแต่งทางใจก็เป็นคนละอย่างกันกับธรรมารมคือความคิดเป็นคนละอย่างกันกับใจคือมโนวิญญาณกับมโนก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันความคิดนึกธรรมารมกับใจก็คนละอย่างกัน กูที่ก็ไปรู้ความคิดก็อย่างหนึ่งเจ้าความคิดนึกนั้นก็อย่างหนึ่งคนละอย่างกันดันบวังความรู้สึกอะไรต่างที่เกิดขึ้นก็คนละอย่างกันกับเจ้าความคิดความคิดที่เป็นนาฎีอนาคตแต่ละอย่างละอย่างก็คนละอย่างกันคนละอย่างกันเป็นเหตุปัจจัยเป็นเงื่อนไขของกันและกันได้หมดอ่ะมีเหตุแ ล, แล้วก็มีผลมันก็เกิดขึ้นในช่องทางใจช่องทางใจนี้ก็คนละอย่างกันกับช่องทางตาช่องทางหู มีลักษณะธรรมชาติที่แตกต่างกันแต่ว่ามันเชื่อมติดอยู่ด้วยกันเชื่อมติดกันอยู่ด้วยสายทามเนี่ยแหละทรงฝั่งเป็นเชือกเป็นเหมือนที่ล็อกเป็นที่รัดรึงเอาไว้ให้จิตใจของเราเนี่ยมันวนเวียนอยู่ในนี้ที่ ด, ดูดีจิตใจของคนเนี่ยเวลามันจะไปคิดนึกเรื่องอะไรเนี่ยไม่ว่าจะอดีตนาคอปัจจุบันมันก็คิดอยู่ในช่องทางใจนี้เท่านั้น คุณจะไปคิดออกนอกใจเนี่ยคือมันเป็นไปไม่ได้เลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่วิสัยของมันมันเป็นคนละช่องทางคุณจะได้ยินเสียงอะไรเนี่ยคุณก็ได้ยินผ่านทางหูเท่านั้นอาจจะเป็นคำด่าคำชมเรื่องให้กลุ่มใจเรื่องให้สบายใจจะได้ยินผ่านมาก็ต้องทางหูเท่านั้นแ่ะคุณจะได้ยินด้วยจมูกมันได้ที่ไหนอ่ะมันไม่ใช่มันเป็นช่องทางของมันมาทางนี้เท่านั้นไม่หลุดออกไปจาก ตาหูจมูกลิ้นกายและใฉได้เลยคุณเอาเนี่นะไม่หลุดออกไปจากตรงนี้เลยเอาให้คุณจะขึ้นสูงถึงพระมรรคกอาไม่ต้องเอาโลกนะเอาโลกนี่ขึ้นสูงถึงรอตตับแบบตำแหน่งสูงสูง45ไปเลยเอาถ้าเป็นราชการหรือถ้าเป็นบริษัทก็ซูเปอร์ซีโอไปเลยหรือว่าลงต่ำไปจนถึงนรกก็ไม่ต้องเอาชาตินะเอาชาตินี้เอา เป็นคนมีรายได้น้อยเป็นคนอนาถาเอา้าลงต่ำขนาดไหนสูงขนาดไหนเนี่มันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหมือนกันนั่นแหละจะเป็นสัตว์นรกจะเป็นสัตว์ในพรหมโลกเป็นเทวดาเป็นเรตรสุรกายสิ่งใดๆก็ถูกล็อกอยู่ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใฉนี่ยเหมือนกันอาจจะมีความแตกต่างกันก็ตรงที่บาสุขมากบ้างสุกน้อยบ้าง สุขทุกพอๆกันบ้างก็แล้วแต่สถานภาพสถานการณ์อาจจะมีเงินทองมากบ้างอาจจะมีเงินทองน้อยบ้างอาจจะมียศตําแหน่งใหญ่บ้างยศตําแหน่งสูงบ้างแต่ไม่พ้นไปจากตาหูจมูกรีนกายใจนี่แน่นอนตรงนี้แหละที่มันล็อกกันเอาไว้เชื่อมกันเอาไว้ติดกันเอาไว้ให้สัตว์ในสังสารวัฏนี้ทั้งหมดเนี่ยทุ่มฝังมันเชื่อมติดอยู่กันตรงนี้ นี่เชื่อมติดอยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะมีการปรุงแต่งอะไรต่างๆก็ออกไปจากจุดนี้แหละจุดที่ว่าจากปรุงแต่งเล็กๆน้อยๆมันก็ปรุงแต่งกันมากขึ้นในที่ว่าเราจากปรุงแต่งมากๆเราเดินตามทางสายกลางมาจนถึงจุดเล็กๆตรงนี้และนะไอจากจุดเล็กๆตรงนี้แหละที่ว่าถ้ามันจะปรุงแต่งอะไรออกไปมันก็ปรุงแต่งไปจากจุดนี้แหละปรุงแต่งออกไปเป็นเรื่องดีบ้าง จะมีการปรุงแต่งเรื่องดีเป็นกุศลมันก็ปรุงแต่งเรื่องไม่ดีเป็นอกุศลก็ได้เหมือนกันมาปรุงแต่งเรื่องที่เป็นอกุศลประกอบด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็สร้างอาสวะให้ที่จะต้องไปเกิดเป็นพรมบ้างไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างอาสวะที่ให้ไปเกิดเป็นคนทันก็มีอาสวะที่ให้ไปเกิดเป็นเปรตก็มีเป็นมนุษย์ก็มีก็แล้วแต่การปรุงแต่งจากจุดเล็กๆนี้แหละ ปรุงแต่งออกไปเป็นเงื่อนไขปัจจัยให้ไปเกิดที่นั่นที่นี่เราไม่ต้องเอาชาติหน้าเอาชาตินี้จากจุดเล็กๆอาศัยความคิดนิดหน่อยเป็นเหตุเป็นผลคุณก็มีไอเดียหมื่นล้านไอเดียใหญ่ยิ่งได้เป็นอินโนเวชั่นเป็นความคิดอะไรก็จากเล็กๆน้อยๆจุดนี้ปรุงแต่งเป็นเงื่อนไขปัจจัยสะสมพลิกแปลงทาให้เกิดการสําเร็จรูปอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งต่างๆต่อมาต่อมาก็จากจุดเล็กๆจุดนี้ไอ้จุดเล็กๆจุดนี้ที่มันดูเหมือนติดกันสนิทเลยเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลไปเนี่ยพระพุรธเจ้าด้วยปัญญาระดับสัมมาสัมพุิญาณนะทุกฝังเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะมันแยกกันอยู่นะมันแยกกันอยู่ยางไรฮะก็มันติดแนบสนิทชิดกันแต่มันจะไปแยกกันอยู่ยังไงใช้ปัญญากรมกรมไงทุกฝัง มองเพ่งลงไปตรงกลางไอ้ที่เห็นเหมือนเป็นเหตุและผลเหตุนั่นแหละส่วนสุดข้างหนึ่งผลนั่นแหละส่วนสุดข้างหนึ่งระหว่างกลางมันมีอยู่นะมันมีความดับของเหตุผลนี้อยู่ความดับนั้นเนี่ยคือนิโรธอยู่ตรงกลางหืมไม่เห็นเห็นเลยก็หนีไงพระพุทธเจ้าจึงบอกอยู่ว่ามันมีถ้าส่วนสุดข้างหนึ่งเป็นเหตุส่วนสุดข้างหนึ่งเป็นผล ความดับนี่แหละจะมีตรงกลางคือเหนือเหตุเหนือผลไงเหนือยังไงดูยังไงตรงดว่าเหตุและผลอาศัยปัจจัยเงื่อนไขถูกไหมสิ่งที่อาศัยปัจจัยเงื่อนไขนะั่คืออะไรก็มันก็เป็นอย่างนี้ปะจะมีเหตุก็ต้องมีผลปะก็ใช่ไงก็มีเหตุมก็มีผลแล้วมันอาศัยอะไรมันก็เป็นของมันอย่างนี้ปะคือถ้ามันมีเหตุเกิดก็ต้องผลก็ต้องเกิดแลจะให้เป็นยังไงอะ ก็น <mister ius> ั่นแหละมันย wow, okay, like ah ังไงล่ะโอยจะไปรู้ได้ไงว่ามันเป็นอย่างนี้ป่ะก็มันเป็นอย่างนี้แหะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้แล่วมันก็เป็นอย่างนี้แหละจะรยอธิบายอะไรกันหนิโอ้ก็เป็นอย่างงี้นั่นแหละคำว่างคือความไม่รู้ไงก็ไม่รู้ว่าทําไมมันไม่เป็นอย่างงี้ก็ใส่ชื่อนไปเลยมันคือความไม่รู้ความไม่รู้นั้นนั่นแหะคืออภิชาฝังให้ดีนะฝังคนนี้สาคัญมากเลยเหตุผลใช่ปะ ทุกคนมีเหตุมีผลหมดนะ่ะเหตุผลเน่ะมันเรื่องกว้างๆเราตัดทิ้งไปละเอามัดจอขันจุ น, จนติดสนิทแนบชิดกันเลยเนี่ยมีเหตุมีผลมีตาก็ต้องเห็นภาพไปดิหรือคนไม่มีตาก็เห็นภาพไม่ได้ก็ถูกปะ่ะหรือมีหูมากระทบเสียงมันก็มีการรับรู้เกิดขึ้นก็เป็นอย่างนี้ปะ่ะระบบร่างกายเราเป็นอย่างนี้เฮ้ยทำเป็นอย่างนี้นะ ก็มันเป็นอย่างนี้เจนเป็นอย่างไรก็มันเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมก็เข้าใจยุ่แต่จะอธิบายไปยังไงอีกอธิบายไปมันเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ว่ามันเป็นอย่างงี้เราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เท ม, มเป็นไงความไม่รู้นะันแะคืออภิชาอภิชาหรือฝังเป็นตัวที่ล็อกเชื่อมสิ่งต่างๆอยู่ในโลกนี้มีอวิชาแล้วมันก็มีตานาด้วย จนจึอธิบายว่าตัญหานั่นแหละเป็นครเรื่องอดร้อยรัดเหตุผลต่างๆนี้มันเกิดขึ้นเข้าหากันคือร่างก็มันคืิ อ, อวิชามีเหตุมีผลนั่นแหละก็เพราะอาวิชามีเหตุมีผลนั่นแหละก็เพราะตัญหาที่เป็นตัวเชื่อมรึงรัดให้พอมีเสียงมักระทุหูแล้วมันจึงเกิดโสตามิ ญ, ญาณเอามันก็ธรรมดาปะคนนั่นแหละเพราะว่าอาวิชา พราะาสังขารการปรุงแต่งไงลักษณะการปรุงแต่งนั่นคือสังขารใช่ไหมเพราะมีอะไรจึงมีสังขารนะท่านบอกว่าเพราะมีอวิชาไงจึงมีสังขารอวิชาในเป็นอาหารของตันหาตันหาอาวิชามาด้วยกันมีชื่อตันหาอยู่ชุดไหนให้มันใจไดือดว่ารกกากของมันคืออวิชาอยู่ตรงนั้นมีอวิชานั่นแหละปก ป, ปิดเอาไว้ ให้เข้าใจไปว่าเอ spell, เอเกรร็มันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นสังการการปรุงแต่งก็มีเหตุมีผลเป็นอย่างงี้นั่นแหละมันคืออวิชชามีอวิชชาอยู่ตรงนั้ น, นทันตีทำฟังมีเหตุผลอยู่ตรงไหนนะมีเหตุมีผลนั่นคืออวิชชามีผลอาศัยเหตุนั่นคืออวิชชามีอวิชชาอยู่ตรงไหนทำฟังปัญหามันก็อยู่ตรงนั้นด้วยเราจะดับอวิชชาได้ก็ต้องตรงที่มันมีอวิชชานั่นแหละ เราจะดับตัณหาได้ก็ต้องตรงที่มันมีตัณหานั่นแหละเราจะดับทุกข์ได้ก็ต้องตรงที่มันมีทุกข์นั่นแหละเราจะดับความเป็นเหตุเป็นผลได้เหนือเหตุเหนือ <anya> ผลก็ตรงตรงที่มันเป็นเหตุเป็นผลนั่นแหละดับยังไงอ่ะก็ถ้าเห็นเนี่ยมันจึงจะดับได้ถ้าไม่เห็นเนี่ยมันดับไม่ได้เราเห็นแค่ว่ามันเป็นเหตุเป็นผลนัมันก็ธรรมดานั่นคือยังไม่เห็นไม่เห็นส่วนสุดสองข้าง ไม่เห็นว่ามีอะไรในท่ามกลางยังไงนะมันมียังไงนะพระบริชาวจึงสอนไงว่าที่เหตุผลเนี่ยมันจริงๆแล้วเป็นส่วนสุดสองข้างมันแยกกันอยู่แล้วตรงกลางมันเป็นอะไรมันเป็นตันหามันเป็นอวิชชาจะดับเนี่ยดับตรงนี้ท่านบังแค่เรารู้เราเข้าใจว่าอ๋อตรงกลางมันเป็นตันหามันเป็นอวิชชาหรือนี่วิชาคือความรู้ เกิดขึ้นทันทีตังง้งวังความรู้ความพ้นวิชาวิมุตต์จะเกิดขึ้นทันทีนะจุดที่เรารู้นั่นแหละว่าอ๋อตรงกลางเนี่ยมันเป็นอวิชชาแล้วเนี่ยมันเป็นตัณหาแล้วเนี่ยอวิชชาคือความไม่รู้ใช่ไหมตัณหาเป็นเครื่องผูกให้ติดกันใช่ไหมก็จะเกิดวิชาคือความรู้เกิดวิมุตต์คือความพ้นไม่ติดกันไงวิชาวิมุตต์ มันก็ตรงกันข้ามกันกับวิชาตันหาไงไอ้ความไม่รู้เออวิชาและเรื่องร้รัฐคือตันหามันก็จะทำให้เกิดการปรุงแต่งต่อๆไปต่อๆไ ป, อ, ๆไปอย่างที่ว่าไปเป็นพบเป็นชติเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีบ้างสุขบ้างพวกบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นกุศลบ้างเป็นธรรมดาแต่ด้วยความรู้ว่า อ, อ๋กจริงๆแล้ว มันเป็นอวิชชานะเนี่ยมันเป็นตัหานะเนี่ยรู้ด้วยปัญญานะวิชาก็จะเกิดอวิชาก็จะดับวิมุตตก็จะเกิดตัณหาก็จะดับรู้ได้งไงรู้ได้เพราะว่าความเข้าใจเรื่องอริยสัจสีไงเหตุเกิดคืออะไรสมุทยัยคือตัณหาแยกออกให้ดีตัวผลคืออะไรคือทุกข์ไงคือขัห้์ แยกออกให้ดีความดับก็มันมีได้นะความแยกกันออกก็มันมีได้นะนั่นคือนิโรธจะทำไงให้ถึงเกิดขึ้นได้นะนั่นคือตามมรรคแปพวกสมุทัยนิโรธมรรคไงนั่นคืออริยสัจสีเราจะต้องเข้าใจอริยสัจสีตามความที่มันควรจะเป็นว่าตัญหาอภิชาี่ต้องละนะเราอย่าไปเข้าใจผิดนั่นคืออภิชาิ เราอย่าไปร้ายรัดดึงให้มันติดกันนะั่นคือตัณหาแต่เข้าใจให้ถูกคือวิชาปล่อยวางละทิ้งให้มันพ้นจากกันนั่นคือวิมุตต์เกิดขึ้นแล้วอวิชชาตัณหามันจะดับไปได้เราจะต้องทําความเข้าใจในเรื่องของรูปเบชนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณว่ามันเชื่อมติดกันอยู่ความเข้าใจในข้อนี้คือเข้าใจเรื่องทุกข์ทุกข์เนี่ยต้องเป็นของที่ควรทาความเข้าใจทําการกนนําหนดรู้ แตานาเนี่เป็นสิ่งที่ควรละควรกำจัดทิ้งไปเสียความเชื่อมโยงของมันนั้นจึงจะดับได้คือนิโรอดนิโรอเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้แจ้งขึ้นมาคือให้มันปรากฏมีให้มันปรากฏเห็นใช้แสงสว่างสองลงไปดูตรงกลางกลางเนี่ยมันเหมือนไม่มีอะไรมันติดกันเลยแต่ช่องตรงกลางมันมีอยู่นั่นคือนิโรอดนิโรออยู่ท่ามกลางแตนานะเป็นตัวร้อยรัดให้ติดกัน ราจะพาเขาไปตรงกลางนี้ได้ปัญญา น, นี่เลยนําไปเลยปัญญานี่คือแบบเป็นตัวแหลมๆกลมๆปาดเข้าไปปาดก็ไปแทกาไปตรงกลางนี้ปัญญานี่แทก็ไปปัญญาจะแทกเข้าไปได้ต้องมีสมาธิเป็นกําลังใส่ลงไปจะมีสมาธิได้ต้องมีสติเป็นตัวเล็งมาสติเนี่ยเป็นเหมือนกับยามที่เขาเล็งอยู่ที่ป้อม ผลแม่นปืนสองดูอยู่เนี่ยนะนะคือสติสองดูกําลังที่คุณใช้ยิงไปเนี่ยนะนะคือสมาธิความคมของอาวุธที่ซัดลงไปเนี่ยนะนะั่นะคือปัญญาทั้งหมดเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของศีลเรามีศีลเป็นพื้นฐานอาศัยสติเล็งตั้งไว้ให้ดีสมาธิเป็นกําลังพุ่งไปอาศัยปัญญาเป็นยอดในการที่จะเจาะแทง สุดที่มันดูเหมือนไม่มีอะไรเชื่อมกันอยู่ตลอดนิ่งๆเนียนๆ น, น, นั่นแหละเจาะลงไปตรงนั้นปลาลงไปตรงนั้นพาลงไปตรงนั้นพาออกแล้วอ้าวนี่ไงเหตนุนี่ไงนี่ไงอ้าวนี่ไงผลนี่ไงนี่ไงเพราะมันเชื่อมกันอยู่ด้วยอภิชาคือว่าไม่รู้นี่เนี่ยมีตัณหาเป็นรูปที่ปรากฏให้เห็นเป็นกุ้งร้อยรัดโธเรารู้แล้ว รู้แล้วจแจมแจ้งแล้วนั่นคือวิชาพ้นแล้วหลุดแล้วนั่นคือวิมุตเข้าใจให้ดีทัง้งฝั่งวิชาวิมุตเกิดขึ้นได้จากการที่เราตั้งสติเอาไว้วิชาวิมุตคือทำสองอย่างเกิดขึ้นได้จากการที่เราตั้งสติเอาไว้คือทำสี่อย่างเกิดขึ้นได้จากการที่เราเจริญอนุสติไม่อันใดก็อันหนึง่ง เป็นอาณาปารสติก็ได้เป็นพุทธานุสติก็ได้เป็นศีลานุสติก็ได้ขอให้มันมีสติธนาวิชาคือความรู้วิมุตติคือความพ้นจะเกิดขึ้นได้สติมันก็ต้องมีสัมปชัญญะมีปัญญาเกิดขึ้นด้วยในตอนท้ายของรายการนี้ครับเจ้าอยากจะให้ฟังพิสูจน์สั้นๆเป็นเรื่องราวที่ภิกษุสามสีรูปท่านคุยกันถึงเรื่องราวของคําถามของเมตยะหมานพนี่แหละ มีนัยัตต่างๆที่น่าสนใจที่จะทำให้เกิดความรู้เพิ่มเติมขึ้นได้จะให้ฟังเป็นการปิดท้ายรายการในช่วงของจิตตะวิเวกที่เป็นการปฏิบัติทางจิตทำให้เข้าถึงความสงบวิเวกในภายในก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกธนาคารเร่ตั้งแต่เวลาตี 5-6 ถึงโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุ ก, กระชายเสียงแหงประทศไทยกับพาพระมหาไพบูรณ์อาภีปุณโณ เป็นผู้ดำเนินรายการขอเชิญรับฟังในพระสูตรที่ชื่อว่ามัดเจสูตรหรือปาริยณนสูตรว่าด้วยส่วนท่ามกลางมีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปาหิสีปตนะเบรคกัสยวนในเขตกรุงปารีสก็สมัยนั้นแลพิษสูตรเทวราชจำนวนมาก กลับจากบินบาบภายหลังฉันหาแล้วก็นั่งประชุมกันที่โรงฉันได้สนทนากันว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในติดสะมเมตยปัญหาในปรารยนาวัตรดังนี้ว่าผู้ใดทราบส่วนสุดทั้งสองด้วยปัญญาแล้วไม่ติดอยู่ในส่วนท่ามกลาง เรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นมหาบุรุษผู้นั้นก้าวล่วงเรื่องร้ายรัตในโลกนี้ได้แล้วก็เมื่อภิกษุ ร, รูปนั้นได้กล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุทั้งหลายจึงถามกันในที่นั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ส่วนสุดด้านหนึ่งนั้นคืออะไรส่วนสุดอีกด้านหนึ่งนั้นคืออะไรห้ามกลางคืออะไรเรื่องร้ายรัสคืออะไร ในที่นั้นภิกษุรูปหนึ่งจึงได้กล่าวขึ้นมาท่านผู้มีอายุต้งหลายก็ภัรษะเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งเหตุเกิดภัรษะเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งความดับแห่งผัรษาอยู่ในท่ามกลางปัญหาจัดเป็นกรืริงร้อยรัดเพราะปัญหาย่อมร้อยรัดผัรษะและเหตุเกิดภรรสนั้นไว เราเป็นสิ่งที่เคยขึ้นแห่งพบนั้ น, น, นเมื่อภิกษุรูปนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงได้กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอยุทั้งหลายก็อดีตเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งอนาคตเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งปัจจุบันอยู่ต้ามกลางตันหาจัดเป็นขึ้เรื่องร้รัฐรัตนาหาย่อมร้รัฐอดีตอนาคต และปัจจวบนนั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งภพนั้นนั้นเมื่อภิกษุรูปนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายสุขเบทธนาเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งทุกเบทธนาเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งอาทุกขมสุขเบทธนาอยู่ท่ามกลางตัณหาจัดเป็นครื่องร้อยรัด ราตนาย่อมร้ายรัฐสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขว ส, สุขเวทนานั้นไว้ราเป็นที่เกิดขึ้นแห่งภพนั้นๆเมื่อภิกษุรูปนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงได้กล่าวขึ้นบ่าท่านผู้มีอายุเท่าไหร่นามเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งรูปเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งวิญญาณอยู่ท่ามกลาง ตัหาจัเป็นค้อเรื่องร้ายรัตเพราะตัณหาย่อมร้ายรัดนามรูปและวิญญาณนั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งภพนั้นๆก็เมือภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุอีกรูปหนึ่งได้ลกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายอเยตนะภายในหกเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งอเยตนะภายนอกทั้งหกเป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่ง วิญญาณอยู่ท่ามกลางตัญหาจัดเป็นเครื่องร้ายรัตพระตัญหาย่อมร้ายรัตอายตนะภายในทั้งหอายตนะภายนอกทั้งหและวิญญาณนั้นไวพระเป็นที่เกิดขึ้นแห่งภพนั้นๆเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สกายะเป็นส่วนสุดข้างหนึ่ง เหตุเกิดสกายะเป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่งความดับแห่งสกายะอยู่ท่ามกลางตัณหาจัดเป็นเคเรื่องร้ายรัตเพราะตัณหาย่อมร้ายรัตสกายะเหตุเกิดสกายะและความดับแห่งสกายะนั้นไวเพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งภพนั้นๆด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุชื่อว่ารู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่ง กำหนดรู้ธรรมะที่ควรกําหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้ธรรมะที่ควรกําหนดรู้ย่อมทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันก็เมื่อภิกษุนั้นเล่าอย่างนี้แล้วภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงได้กล่าวขึ้นบาาท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกเราเที่ยวพยากรณ์ตามปฏิพัน์ของตนมาเกิด พวกเราจะพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลเนื้อความนี้ให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคปยากรอย่างไรแก่พวกเราพวกเราก็ชงทรงจำไว้ตามที่พระองค์ปยากรนั้นแหละพิสุตนายจึงรับคำของพิสุรูปนั้นแล้วพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาสแล้วนั่งณที่คนข้างหนึ่ง ได้กราบทูนเรื่องราวที่สนทนาทั้งหมดพดมระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหมดนั้นกล่าวดีแล้วตามเหตุนั้นนั้นแต่ข้อความที่เรามุ่งกล่าวไว้ในติสสะเมตยปัญหานั้นพวกเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวอธิบายภิกษุทั้งหลายพัสะ เป็นส่วนสุดข้างหนึ่งเหตเกิดผัสสะเป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่งความลับแห่งผัสสะอยู่ท่ามกลางตันหาจัดเป็นเรื่องร้รัฐประตัหาย่อมร้ยรัฐผัสสะและเหตุเกิดผัสสะนั้นไว้ราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งพบนันนันด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุชื่อว่ารู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่ง